ปีติข้อที่ห้าเรียกว่าภาณาปีติภาณาปีตินี้แปลว่า ป, ปีติที่ ท, ทราบซ่านไปทั่วร่างกายทั่วร่างกายเนี่ยจะทราบซ่านเ อ, อิบอิ่มเกิดความสุขขึ้นอย่างนี้เรียกว่าภาณาปีติปีติที่แผลซ่านไปอันนี้เป็นองค์ฌานข้อที่สามเรียกว่าปีติส่วนสุขนั่นก็นกนคือความสุขความเ อ, อิบอิพมในสมาธิที่เราได้ เอกขาตานะคือความตั้งมั่นซึ่งเป็นตัวสมาธิโดยตรงได้แก่เอกขาตาเจตสิก น, นนะเราเรียกกันว่าเป็นตัวฌานแต่ความจริงฌานจะต้องประกอบด้วยองค์ทั้งห้านี้แต่ตัวที่ทำหน้าที่ตั้งมั่นคือตัวเอกขาตาตั้งมั่นในอารมณ์อันนั้นอย่างมั่นคงถาวร อ, อย่างนี้เป็นตัวอัปปนาสมาธิเดสบสภาวะของฌาทานทั้งหลายต้องเข้าใจอย่างนี้ เรามีฉนั้นแล้วเราอาจจะคิดว่าแม้คนนั้นได้ฌานนะคนนี้เข้าฌานดูคนนั้นเข้าฌานดูเหมือนอย่างยอมไปหาหมอนั่งทางในก็บอกหมอเข้าน่าเข้าฌานดูแล้วพอเป็นท่านนั้นเป็นไอ้นี่อาตมาเองยอมยังโยมบางคนไม่เคยคุ้นกันนะคิดาอาตมาเนี่ยคงจะเข้าฌานเก่งนี่ว่าท่านลองนั่งเข้าฌานช่วยดูหน่อยจะไปซื้อที่สแปลงนรืเนี่ยแย่ yeah, เลยอย่างนี้คือเข้าฌานดูอย่างเงี้ คือเข้าฌานแล้วต้องไม่ดูอะไรเข้าฌานต้องไปกำจัดนิวรณ์ไม่ใช่เข้าฌานดูไอ้นั่นดูไอ้นี่ถ้าฌานที่ถูกแล้วยัต้องประกอบด้วยองค์ห้าอย่างเนี้ยเป็นฌานในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิไม่ไม่เป็นมิจฉาสมาธิสมาสมาธิอันเนี้ยที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เป็นสัมมาวิมุตติได้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะของฌานซึ่งก็มาอธิบายเพิ่มเติ ม, ตมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ ส่วนหลักปฏิบัติในกรรมฐานข้ออื่นที่เราจะศึกษาต่อไปนั้นเราจะได้นำมาบรรยายในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันอาทิตย์นี้เวลาของการบรรยายก็สิ้นสุดลงแล้วออท่านสาธุชนท้าหไหนการบรรยายวิสุทธิมรรคหรือทางแห่งความบริสุทธิ์ในวันนี้ ติดก่อนได้บรรยายเรื่องอัปนปาโภศนให้ทาทั้หลายได้ทราบมาแล้วถึงห้าข้อด้ยวยกันเราได้ศึกษาถึงวิธีที่เราจะประคับประคองจิตเพื่อไปสู่สมาธิหรือไปสู่ฌานปัญญามาอยู่ห้าวิธีที่ท่านได้วางไว้ในพระคำพีนี้ ข้อหนึ่งการทำวัตถุให้เป็นของสะอาดและสองทำอินทรีย์ให้เสมอกันสามเป็นผู้ฉล า, าดต่อ น, นิมิตสี่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคองห้าคมจิตในสมัยที่ควรคมในห้าข้อ น, นี้ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไปแล้วมาตามลำดับในวันนี้จะได้พูดถึงการ ปอบจิตในสมัยที่ควรปลอบหรือการยังการยังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรจะร่าเริงได้กล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและเมื่อจิตเปลี่ยนแปลงขึ้นก็มีอิทธิพลต่อรูปธรรมคือร่างกายด้วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นระวางอบรมจิต จิตจะมีความละเอียดอ่อนตามลำดับความเปลี่ยนแปลงของจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้เท่าทันระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมแต่ว่าเป็นที่อุ่นใจได้ประการหนึ่งก็คือผู้ที่กำลังอบรมจิตหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอในการกาหนดอารมณ์เพื่อเกิดสมาธิหรือปัญญานั้นย่อมมีความรู้เท่าทันต่อจิตได้รวดเร็ว จิตจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะเช่นใดก็ตามย่อมจะรู้เท่าทันการรู้เท่าทันจิตได้รวดเร็วมากขึ้นเท่าไรก็เป็นประโยชน์แก่เรามากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าทำให้เรารู้จักควบคุมจิตของเราไว้ได้ไม่ตกไปในฝ่ายของอกุศลนานหรือไม่ให้ตกไปในฝ่ายของความทุกข์นานจนเกินไปในหลักปฏิบัติข้อที่6ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า จงยังจิตให้ด่าเริงในสมัยที่ควรด่าเริงหรือพึงปลอบจิตในสมัยที่ควรปลอบที่ว่าจิตด่าเริงเนี่ยด่าเริงอย่างไร<ม>เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมมีภาวะทางจิตไม่เหมือนกันสาหรับผู้ที่ ปฏิบัติธรรมย่อมแสวงหาความสุขทางนามธรรมหรือความสุขทางด้านจิตใจมากกว่าความสุขทางรูปธรรมเช่นท่านได้กล่าวไว้ในที่หลายแห่งว่าพระอริยเจ้าบางท่านที่เป็นชานราภีบุคคลย่อมจะถือเอาการเข้าฌานเป็นเกณฑ์อีลายอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> ถือการเข้าฌานออกฌานเนี่ย เป็นกีฬาของพระอริยเจ้าอย่างหนึ่งซึ่งคำว่ากีฬานั้นโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ก็คือการออกกำลังตามบริหารร่างกายในลนักษณะต่างๆที่เราเรียกกันว่าแข่งขันกีฬาแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ท่านเป็นชานาที่บุคคลท่านถือเอาการเข้าฌานเป็นการกีฬา จะเข้าชาญออกชาญเนี่ยเป็นกีฬาอันหนึ่งของพระอริยเจ้าที่เป็นชาญลาภีเพราะฉะนั้นการที่พระอริยเจ้าที่สแสวงหาความสุขทางนามธรรมเช่นนี้ก็เพราะว่าความสุขทางนามธรรมานั้นเป็นความสุขที่ถาวรกว่าและเป็นความสุขที่แท้กว่าความสุขในด้านอื่นๆตามที่เราจะต้องทําจิตแท้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงนี้เพราะว่าในสมัยหนึ่ง การปฏิบัติของผู้ที่เจริญสมาธิอยู่นั้นบางครั้งอาจจะไม่แช่มชื่นที่จิตไม่แช่มชื่นนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากเหตุหลายประการด้วยกันซึ่งแม้ระหว่างที่เราไม่ได้ปฏิบัติอาตมาเชื่อแน่ว่าคงมีหลายท่านที่มีความรู้สึกในลักษณะเช่นนี้ระหว่างที่เราไม่ได้ปฏิบัติทำเนี่ยบางวานเราก็รู้สึก รําคาญใจคือจิตเนี่ยรู้สึกหมุ่นหมอง ท, งทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรอยู่เฉยๆจิตใจก็หมุนหมองขึ้นมาเองมีบางท่านเคยมาสารภาพบอกว่าบางวันอยู่ๆก็นั่งร้องไห้คนเดียวเฉยๆแล้วก็สาหาเหตุไม่พบว่าเราร้องไห้กันทําไมอย่างนี้ก็มีหรือบางครั้งเราก็รู้สึกราคาญปลัดรุ่มใจทั้งๆ ท, ท, ที่หาสาเหตุไม่พบเหมือนกันว่ากุ้มใจกันไปทําไม เรื่องราวนี้ก็เห็นท่ายจะต้องโยนให้เป็นอกุศแลแวิบากเพราะว่าเรื่องอกุศลลวิบากนั้นอาจจะเกิดได้ทุกๆกขณะจิตสำหรับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยปัจจุบันมาประกอบกันหรืออาจจะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันใดมาประกอบจิตใจก็าอาจจะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเองก็เป็นได้การปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกัน ที่ผู้ปฏิบัติในสมัยก่อนบางท่านที่ขาดโยนิโสมนสิกการในการพิจารณาธรรมบางทีฟัามก็สัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเทศนาก็เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารอย่างแรงกล้าถึงกับต้องทำลายชีวิตตัวเองอย่างนี้หรือมิฉะนั้นก็ต้องไปจ้างวานพวกเดร ถ, ถีพวกปริพาชกต่างๆฆ่าทำลายชีวิตของตนเอง เพื่อหลีกหนีความเบื่อหน่ายในสังขารห่านั้นอันนี้เป็นเพราะเหตุว่าความสรธในสังขารเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าแต่ไม่รู้จะปรับปรุงจิตอย่างไรจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ผลสุดท้ายจิตนี้ก็ตกไปในฝ่ายแห่งความเสื่อมเหมือนบุคคลที่ประสบกับความทุกข์อย่างหนักในปัจจุบันนี้พอมีความทุกข์มากมาก ก็รู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วก็มีความลำพึงว่าอยากจะไปตายให้พ้นจากโลกนี้ไปสักทีหนึ่งคงจะทําให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้บางคนก็ต้องหาวิธีตายในลักษณะต่างๆกันอันนี้เกิดมาจากราความเบื่อหน่ายหรือความปรักปรุ่มใจซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนที่อยู่ในโลกนี่พูดถึงคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยังมีความรู้สึกเป็นทุกข์อย่างนี้ แม้บุคคลที่ปฏิบัติธรรมก็หาได้พ้นความรู้สึกเช่นนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเมื่อเราเข้าสู่การปฏิบัติจะเป็นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามเราจะประสบความสุขได้ทันทีก็หาไม่ถ้าเมใดจิตยังไม่บรรลุถึงซึ่งความสงบหรือไม่เกิดปัญญารู้เห็นสังขารทั้งหลายโดยแจ่มแจ้งแล้วเราก็ยังไม่ สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งสันติสุขอ น, นันตได้ฉะนั้นจิตบางสมัยจึงมีความรู้สึกเป็นทุกข์ที่เรียกว่าไม่ชุ่มชื่นหรือไม่ผ่องใสสาเหตุที่ทำให้จิตไม่ชุ่มชื่นไม่ผ่องใสนี้ท่านปรับไว้ว่าเนื่องมาจากเหตุสองประการด้วยกัน ประการที่หนึ่งเพราะความขวนขวายในทางปัญญาเนี่ยย่อหย่อนขวนขวายในทางปัญญาย่อหย่อนหรือประการที่สองไม่ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเกิดจากความสงบในสมัยนั้นจิตย่อมไม่แช่มชื่นที่ว่าบุคคลเกิดความไม่แช่มชื่นในทางจิตก็เนื่องมาจากเพราะความขวนขวาย ทางปัญญาย่อหย่อนหมายความว่าอย่างไรออความผวนปวายในทางปัญญาเนี่ยก็คือความผวนปวายในการที่จะไปรู้แจ้งสัจธรรมได้แก่ความผวนป่ายทางปัญญาเช่นอย่างปัจจุบันนี้เราสแสวงหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เราไปศึกษ า, เ ร, าเร่อเรียนกันบางทีก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปสแสวงหาความรู้ ก็เพื่อที่จะแสวงหาปัญญาบุคคลที่มีความเพียรกล้าก็สามารถที่จะได้ความรู้บุคคลที่มีความย่อหย่อนในทางปัญญานั้นเป็นคนที่โง่แต่เป็นคนที่กำลังขวนขวายในทางปัญญาขวนขวายในการที่จะรู้แจ้งในสัจธรรมฉะนั้นการนั่งหลับตาเพื่อกาหนดอารมณ์ต่างๆก็เป็นทางปลูกฝังปัญญาให้เกิดขึ้นในทางหนึ่ง เพื่อที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในนามรูปเนี่ยโดยถูกต้องการสแสวงหาปัญญานอกจากเราจะอาศัยวิธีการดังกล่าวแล้วบางทีก็อาศัยการสดับเช่นเราสแสวงหาพระธรรมเทศนาเพื่อสดับหลับฟังการอธิบายธรรมบ้างโตวาทีบ้างหรือแม้ทำทั้งหลายที่มาสดับในวันนี้ก็เป็นทางเป็นการขวนขวาย ทางปัญญาทางหนึ่งนอกจากเราจะอาศัยการฟังเพื่อเกิดปัญญาแล้วบางทีเราก็อาศัยสิ่งที่ฟังเนี่ยไปคิดเพราะสิ่งใดก็ตามที่เราฟังไปแล้วเราก็ต้องเก็บเอามาคิดถ้าหากว่าไม่คิดปัญญาก็ไม่เกิดความคิดนั้นทําให้คนเนี่ยเกิดปัญญาแต่เราจะต้องมีระเบียบการคิดนั้นต้องมีระเบียบที่ว่ามีระเบียบเนี่ยคือจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการคิด พิจารณาสภาวธรรมเนี่ยให้ถูกต้องออไม่ใช่คิดกันผิดผิดหรือว่าคิดกันโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์เราจะต้องมีความคิดในทางที่ถูกจึงจะเกิดปัญญานี่ครเป็นการแสวงหาปัญญาทางหนึ่งด้วยการคิดส่วนทางที่สามก็คือการภาวนาการภาวนาเนี่ยได้แก่การบังเพนความเทียนเพื่อที่จะให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสัจธรรม บุคคลที่ขวนขวายในทางปัญญาย่อหย่อนสําหรับผู้ปฏิบัติก็หมายถึงว่าผู้นั้นนะ่ะมีเวลานั่งทําภาวนาน้อยหรือมีการสลับหลับฝังน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองมีการนั่งเจริญภาวนาน้อยมีการสลับหลับฝังน้อ ย, ก, ก, อยก็ทําให้การขวนขวายทางปัญญานเนี่ยย่อหย่อนไปความรู้ความเข้าใจในสภาวธรรมนั้นย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะว่าตนเองมีความย่อหย่อนในทางปัญญาแล้วไม่เกิดความผุนขวาในทางปัญญาขึ้นจิตใจย่อมจะไม่แช่มชื่นฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่แช่มชื่น เ, เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีการผวนขวาทางปัญญาย่อหย่อนผิวพันธ์ต่างๆจะไม่ผ่องใสผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเราจะรู้สึกว่า ผิวพรรณเนี่ยไม่ผ่องใสแต่ผู้ใดที่มีความรู้ในสภาวธรรมเนี่ยอย่างถูกต้องระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่เราจะรู้สึกว่าคนคนนี้เปลง่งปรั่งมีความสดชื่นอยู่แสดงว่าจิตของเขามีปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมจึงเกิดความสุขในทางจิตเนี่ยเพียงพอถ้าปัญญาน้อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นเข้าครอบนำ ถึงจะอยู่ในระหว่างปฏิบัติก็ไม่แช่มชื่นฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้ดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีเราจะสังเกตได้ว่าผิวพันธ์ของผู้ปฏิบัตินั้นห่องใสระหว่างที่เจริญสมาธิอยู่ก็สงบเนี่ยก็เหตุว่าเขามีการปฏิบัติดีมีปัญญาดีเรื่องปัญญานี่เป็นเรื่องสำคัญ แล้วก็มีความสําคัญทั้งการปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกุตรธรรมและการปฏิบัติเพื่อที่จะเกิดความสุขในด้านโลกียธรรมเราจะมีความสุขทางด้านโลกุตตรธรรมเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไปรู้แจ้งสัจธรรมแล้วความสุขในโลกุตตรธรรมก็เกิดไม่ได้ผู้ที่จะดำรงชีวิตมีความสุขในโลกิยธรรมก็ต้องมีปัญญาอีกถ้าไม่มีปัญญาความสุขในโลกิยก็ไม่สามารถจะเกิดได้แล้าบางครั้งเราก็ต้อง รู้เท่าไม่ถึงการในอารมณ์ต่างๆและก็เป็นเหตุทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีอุปการะคุณต่อการดำรงชีวิตในโลกนี้มากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าปัญญาชีวิงชีวิตะมาหุกเสษ็ถังที่ว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐสุด นี่เป็นการตัดให้เราได้เข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องใช้ปัญญาให้มากถ้าไม่มีปัญญาแล้วชีวิตที่เป็นอยู่ก็เป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะคนมีปัญญาเนี่ยย่อมจะจัดชีวิตได้โดยถูกต้องและก็เข้าใจว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่กันไปทาไมตายแล้วเราจะไปอย่างไร ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยย่อมจะจัดระบบชีวิตของตนเองได้ถูกต้องได้ดีกว่าคนที่อยู่สักแต่ว่าอยู่ไม่รู้เลยว่าเราเกิดกันมาทำไมอยู่กันไปทำไมตายแล้วจะไปไหนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางคนที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากปัญญานั้นตลอดชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์น า, นานาประการท้ายประตายลงอย่างคนอนาถาไม่สามารถที่จะนาเอาอะไรไปได้ ระหว่างมีชีวิตอยู่ก็วุ่นวายแต่พอตายไปแล้วก็นาอะไรไปไม่ได้เนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นบทเรียนแก่พวกเราได้เป็นอย่างดีว่าเราอยู่กันเพื่ออะไรเพราะว่าให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาถึงความจริงของชีวิตเนี่ยโดยถูกต้องไว้ว่าแม้เราจะก่ออกุศลสักเพียงใดก็ตามเพื่อมาปรนเปลือชีวิตของเราเองในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย เราอยู่ได้ด้วยอาศัยการบริโภคอาหารที่สำคัญที่สุดเรามีปัจจัยสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงท้องของเราตามพออิ่มแล้วก็แล้วกันถึงจะบริโภคอีกก็ไม่ได้ไม่ว่าทนทั้งหลายจะบริโภคอะไรท่นั้นเมื่อถึงที่สุดแห่งความต้องการแล้วหรืออิ่มแล้วถึงแม้จะมีอาหารอะไรดีๆมาให้เรารับประทานอีกเราก็รับประทานไม่ลงก็แสดงให้เห็นว่า ถึงอย่างไรก็อิ่มเดียวเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วผลสุดท้ายก็ตายจากโลกนี้ไปแม้จะมีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องประเราประโรมสักเพียงใดก็ตามอันนั้นก็เป็นแต่เรื่องแก้กรุ้มแก้ความทุกข์ต่างๆในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารที่แท้เป็นส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่าชีวิตของคนที่อยู่ป็นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาก ก็มีแต่เรื่องเสียงแค่นี้ซึ่งเราพิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรพิสดารที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเป็นอยู่เพื่ออะไรแล้วคิดว่าเราคงจะได้อะไรจากจากโลกมนุษย์ที่เราเกิดมาในปัจจุบันเนี่ยไปอีกหลายหลยอย่างและคงจะได้กําไรมากจากการที่เราได้เกิดมาชาติหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตยอยู่จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เราได้ทราบถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ว่าเราควรจะดำรงชีวิตเนี่ยอย่างไรบางครั้งเราจะขวนขวายจนกระทั่งก่อกรรมทําเข็นขึ้นหรือสร้างอกุศลต่างๆเราก็จะระ ง, งับอกุศลเหล่านั้นได้โดยสแสวงหาทางที่ถูกหรือประกอบแต่กรรมดีบุญกุศลเท่านั้น ถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ปัญญาพิจนารณาโดยละเอียดแล้วความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีน้อยที่สุดฉะนั้นบุคคลที่มีปัญญาดีจึงเป็นคนที่ยังประโยชน์ในโลกิยานี่ให้เกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ท่านจึงกล่าวว่าปัญญาเป็นประโยชน์ทั้งด้านโล ก, กุตระและโลกิยะของสัตว์โลกส่วน ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบนั้นระหว่างปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าจิตไม่เกิดสมาธิแล้วก็มีความทุกข์เหมือนกันผู้ปฏิบัติก็มีความทุกข์และก็มีปัญหามากด้วยที่ว่ามีปัญหามากเนี่ยเราจะทราบได้จากผู้ปฏิบัติที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะจะสังเกตได้ว่า ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะนี่ปัญหามีมากจริงๆปัญหาประจำวันก็มีมากอา่ารยมาเคยเฝ้าสังเกตในสมัยที่มีการปฏิบัติเป็นหมู่เป็นคณะมากๆระหว่างปฏิบัติกันเองแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมกันเองก็ไม่ใช่หมายความว่ากิเลสเนี่ยจะสงบไปหมดระหว่างผู้ปฏิบัติเองก็มีกิเลสอยู่ แล้วก็บางครั้งกิเลสอันนี้ก็จูนจานข้างนอกแล้วผลสุดท้ายก็ทําให้ผู้ปฏิบัติกันเองไม่เกิดความสงบขึ้นก็มีอันนี้เป็นเป็นของธรรมดาเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงความสงบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามกิเลสไม่ให้เกิดได้เหมือนกับหญ้าถ้าไม่มีอะไรไปทับเอาไว้หญ้ามันต้องงอกได้ ถ้ามีอะไรไปทับอยู่มันก็จะไม่งอกระหว่างที่ถูกทับเช่นในสนามหญ้าเราเอาก้อนหินไปทับไว้สักก้อนหนึ่งหญ้ามันก็ไม่งอกแต่ถ้าหากว่ายกก้อนหินออกหญ้ามันก็งอกเรื่องกิเลสก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามีสมาธิคอยบังคับอยู่กิเลสที่มีมันก็ไม่ไม่โผล่ออกมาไปยังงับได้แต่ถ้าหากว่าขาดสมาธิไปกากับแล้วกิเลสก็โผล่ออกมาได้ แล้วก็กิเลส ท, ที่โผล่ออกมานี้ก็โผล่มาด้วยอำนาจอำนาจของจิตที่เราไม่ได้อบรมให้มีสมาธิสูงมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กิเลสนี้งอกงามขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็อ่อนไหวง่ายดูมันจะง่ายกว่าผู้ที่มีอารมณ์ห ย, ยาบๆเช่นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตละเอียด มีอะไรมากระทบนิดหนึ่งก็หวั่นไหวฉะนั้นจึงมีการหวั่นไหวง่ายที่สุดกว่าบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติจิตหยาบเนี่ยแม้จะกระทบอารมณ์บางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าระหว่างที่ปฏิบัติจิตละเอียดก่อนกระทบอะไรนิดหนึ่งก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดมากเนี่ยเหตุหนึ่งที่ทำให้จิตเกิดความไม่สงบขึ้นก็นเรื่องมาจากเพราะไม่ได้บรรลุถึงซึ่งสมาธิ ในลักษณะดังกล่าวนี้เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรท่านตรัสว่าเราจะต้องทำจิตของเราเนี่ยให้ร่าเริงดังนี้การทำจิตให้ร่าเริงนี้ทำอย่างไรจิตเนี่ยจึงจะร่าเริงในกรณีที่จ็ตมีความสลดหดหู่ท้อแท้หรือเกิดความเกียดคร้านขึ้นทางใดทางหนึ่งไม่มีการขวนขวายในทางปัญญา คือไม่ขวนขวายในการที่จะไปสู่ความรู้แจ้งในสัจธรรมนี้เราจะตอบจิตในสมัยเนี่ยด้วยวิธีการอย่างไรเราบอกถ้าหากว่าจิตตกไปในภาวะเช่นนี้ก็ต้องเจริญสังเวชวัตถุที่ว่าเจริญสังเวชวัตถุนี่ท่านสอนให้เราไปพิจารณาถึงวัตถุที่จะให้เกิดธรรมสังเวช ที่ว่าให้เกิดธรรมสังเวทเนี่ยก็เพื่อที่จะกระตุ้นจิตของเรานี้ให้เกิดความรู้สึกผวนขวายในทางปัญญานี้มากขึ้นหรือมีความภาพเพียรในการที่จะปฏิบัติตนไปสู่ความพ้นทุก์เนี่ยได้มากขึ้นวัตถุที่เราพึงพิจารณาให้เกิดสังเวทให้เกิดธรรมสังเวทขึ้นมานี้ถ้าเราพิจารณาถึงสังเวทวัตถุแปดประการ ในสังเวชวัตถุแปดประการเนี่ยประการที่หนึ่งให้เราพิจารณาถึงความเกิดความเกิดการพิจารณาถึงความเกิดนี้ให้พิจารณาตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเกิดว่าเราเนี่ยเกิดมาอย่างไรหมายถึงสุถานที่แล้วก็พบภูมิที่เราเกิดในปัจจุบันนี้เราเกิดมาได้อย่างไรความเกิดเป็นทุกข์อย่างไร ให้พิจารณาถึงตัวชาติคือความเกิดเนี่ยว่าเป็นทุกข์เรื่องนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่มีเวลาจะศึกษาภายนอกก่อนก็ได้การศึกษาถึงความเกิดภายนอกก่อนเนี่ยทำให้เราสังเวชส ด, ดใจในความเกิดได้ง่ายก็คือการหาหาภาพจริงๆดูบ้างภาพจริงๆที่เราจะเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเวลานี้ตามโรงพยาบาลมีให้ดูหลายแห่ง ไปดูเด็กแพทย์ดองใส่โหลไว้เราไปดูตามลำดับเราจะเห็นว่าเนี่ยชีวิตของคนก็เกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้อันนี้เห็นได้ง่ายได้ชัดเจนกว่าที่จะพิจารณาในด้านสภาวธรรมที่ละเอียดเพราะว่าในทางพุทธศาสนานี้ถ้าพูดถึงความเกิดเป็นทุกข์แล้วก็เป็นของละเอียดถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งเราก็ไม่เห็นว่าความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไร เริ่มเป็นทุกข์ตั้งแต่อยู่ในคันเป็นต้นมาเราก็จะเห็นว่าความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรทั้งหมดก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นในการพิจรารณาประการที่สองก็คือความชราคือความแก่เราจะเห็นความแก่ได้ง่ายก็ต้องไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราบ้างแถวบางแคก็ได้อยู่ใกล้ๆนั่งรถเมล์ไปเดียเด๋ยวๆก็ถึงบางแค์มีให้ดูแยะ ไปเห็นคนแก่ในบังแคลแลัแล้วเราก็จะเกิดความสังเวชสล ด, ดใจว่าเนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่อย่างนี้ความสวยสดงดงามนั้นก็จะอยู่เพียงไม่กี่ปีแล้วพอสุดท้ายความแก่เท่าก็จะเกิดประการที่สามให้พิจารณาถึงพยาธิคือความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเนี่ยเราไปเที่ยวตามโรงพยาบาลเราก็เห็น พอเข้าโรงพยาบาลก็จะรู้สึกทันทีว่าแมมสถานที่เช่นเนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เป็นพยาธิทุกข์ทั้งนั้นเราจะรู้สึกสะกดใจว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจ็บอย่างนี้แล้วก็ความเจ็บไข้ในปูเอเหล่านี้ก็เป็นทุกข์พยาธิเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดธรรมสังเวชประการที่สี่ก็คือมรณะมรณะเนี่ยคือความตายเราจะสังเกตได้ว่า คนเกิดมาแล้วก็มีลีลาของชีวิตแต่ละแบบแต่ละแบบผลสุดท้ายก็มา จ, จบล ง, งตรงตายเนี่ยพอตายก็เป็นอนันต จ, จบเราศึกษามาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยคนสำคัญสคัญของเมืองไทยกม็มีให้เราศึกษาหลายคนท่านเหล่านั้นก็ตายไปแล้วตายไปในลักษณะต่างๆกัน ระหว่างมีชีวิตอยู่ก็มีลีลาของชีวิตต่างกันและผลสุดท้ายก็จบลงด้วยความตายเราไปงานศพเราก็จะเห็นว่าชีวิตของคนเกิดมาแล้วก็ตายอย่างนี้ความตายจะเป็นเครื่องเตือนใจเราได้เป็นอย่างดีว่าถึงอย่างไรก็ต้องตายทุกคนต้องตายทั้งนั้นมีความตายเนี่ยเป็นที่สุดเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดธรรมสังเวชประการที่ห้าให้พิจารณาถึงความทุกข์ในอบาย ความทุกข์ในอบายในที่นี้ให้เราสนใจว่าสัตว์ที่นอกจากจะเกิดเป็นมนุษย์นี้แล้วจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วสัตว์ที่เกิดในภูมิต่ำเช่นอย่างเดรฉ า, านอย่างนี้เป็นต้นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกอบายภูมิทั้งสี่ภูมินี่เป็นทุกข์มากชีวิตของสัตว์ที่เกิดในภูมิทั้งสี่นี้ก็เป็นเป็นภูมิที่มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์ อย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็มีความสุขกันตามประสามนุษย์อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไปเกิดเป็นอบายสัตว์ทั้งสี่จะมีความทุกข์อีกแค่ไหนก็ยังไม่ทราบให้พิจารณาถึงความทุกข์ในอบายเนี่ยมากๆแล้วก็พิจารณาไปให้ถึงว่าส์ที่ต้องเกิดในอบาย